أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوا ن إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربشرح لسدر ويسل أمني به لقطع لسان ي ف ق ه ل ي رب زدنا علما ن ا ف ئ ا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آكِف نفوسنا ت ق و ه ا وزكها أن تخار من زكها أن ت و ل ي ه ا و م و ا ه ا ล้ละละตั้่ใอลเลิ์มีบิลาารศาล่าฟิสซุฮุฟอูละซิบราฮิมาและลม ز ز ูซครับพี่น้องที่รักครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงของการอักฐาธิบายอัลกุรอานซึ่งเรายัางคงคุยกันอยู่ในส่วนของสุรอัลอาลานะครับร ال ال ال. อบัลอาลอความโดยตอนแรเราก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับในส่วนที่ว่าบัล ทีรูนั حياة ด, ดุนยาว่อาอะคิรตุ خير ุอบกอักกคือพระนามับของพวกาละซุบฮานุฮุตานะครับที่บอกไ้ว่าแต่ถ้าว่าพวกเจ้านั้นกับเลือกทุ่มเทให้กับชีวิตในดุนยา ท, ทั้งทั้งที่อาคิรตุนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ถาวรกว่าหลังจากนั้นครับพวกละซุบฮานุฮตาครับกก็ได้กล่าวต่อมาคว่าอินนาฮะเลฟิซ uh ุฮฺฟิลลาอินนาฮล ซึ่งมีความหมายว่าแน่นอนที่สุดแน่นอนยิ่งสิ่งนี้ได้อยู่ในซ uh ูฟอัลูแหลสิ่งนี้ได้อยู่ในคมภีร์ในรุ่นก่อนสิ่งนี้หรือว่าข้อเตือนสตินี้คําว่าสิ่งนี้นะครับกลับไปหาอะไรที่ว่าสิ่งเนี้ยอยู่ในคัำพีการก่อนนะักวิชาการครับก็มีความเห็นนะครับแตกต่างกันนะครับผมบางท่านก็มองว่านะครับสิ่งเนี้ยอินเนอร์ อันนี้คือการที่โพล้อเตือนครับที่บอกว่าฝั ก, กิด จ, จงตักเตือนสิจงมีการไข้ควรจงมีการคิดถึงสิเพราะมันจะยังเปรีย์กับผู้ศรัทธาหมายความว่าสิ่งนี้อยู่ในคมพีก่อนหน้านี้ก็คือการตักเตือนแบบเนี้ยการตักเตือนแบบนี้ที่ว่าให้ระวังในเรื่องของดุนยาอย่าทุ่งเทให้กับดุลยาแล้วก็จงใช้ชีวิตอยู่เพื่ออาาัชรอก็บางท่านก็มองว่า กับปลสิ่งนี้บางท่านก็มองว่าแต่ท้าว่าหมายถึงเนื้อหาทั้งหมดของคุรานเลยตัางหากที่ว่ามีการอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้ในที่นี้ครับพี่น้องที่รักยิ่งครับประการแรกที่เราต้องทําความเข้าใจเมื่อพูดถึงซุฮุฟบางท่านอาจจะแปลกใจทําไมใช้ซูฮุฟไม่ได้ใช้คําว่ากุตุบอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันในที่ของมันอินชาอัลลอฮ์แต่ประการแรกก็คือเมื่อพูดถึงซูฮุฟูลาเนี่ยคำพีก่อนหน้ า, นาเราเนี่ยมันก็จะกลับไปถึงเรื่องการศรัทธาต่อ บรรดาคำพีใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเสาหลักของการเป็นมุสลิมที่เราทราบกันเดียวมุสลิมนั้นจะเป็นผู้ที่ศรัทธาอย่างถูกต้องเราต้องศรัทธาในสิ่งสําคัญหลักๆ6ประการแล้วที่เหลือก็จะเป็นสิ่งที่อีกย่อยลงมาสิ่งหลักสิ่งแรกก็คือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับแล้วก็ศรัทธาต่อรัสูลแล้วก็จะมีการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีรศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ทําไมต้องศรัทธา แล้วศรัทธาอย่างไรอินชาลอสเราจะมาพูดคุยกันแบบคร่าวๆนะครับผมพอสังเกตนะครับในการพูดคุยเกี่ยวกับอินชาลอสนะครับผมประการแรกครับสาเหตุที่เราต้องศรัทธาในคัมภีร์เพราะถ้าเราไม่ศรัทธาว่าพระลอสสุภานุตาปาธานคัำพีมาให้กับมนุษยชาติเราไม่มีทางศรัทธาต่ออัลลอฮ์ได้อย่างสมบูรณ์อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับ พอพี่น้องบางท่านก็แปลกใจว่าเอ็มซีมเราศรัทธาต่อลอองเดียวไม่ใช่เลยแล้วทำไมหลักศรัทธาถึงมีตั้งหกข้อคําตอบก็คือหลักๆแล้วเราศรัทธาต่อผู้ลอสุบฮาห์ตราเพียงผู้เดียวนั่นแหละถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าในการศรัทธาต่อพผู้ลอเนี่ยหลายความเชื่อก็ศรัทธาต่อลอยูก็ศรัทธาว่าลอเป็นพระเจ้ามีหลายศาสนาที่อ้างว่าเชื่อ ว, ว่าลอเป็นพระเจ้าแต่อะไรที่ทําให้การศรัทธาของเขาบิดเบือนไปหรือว่าเบี้ยวไปคําตอบก็คือ เพราะเขาไม่ศรัทธาในองค์ประกอบสําคัญอื่นๆเพราะถ้าอ้างว่าศรัทธาต่อละแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าผู้ละส่งคัมภีร์มา ก, ก็แปลว่าการศรัทธาของเราที่มีต่อละนั้นไม่สมบูรณ์เพราะเราคิดว่าผู้ละนั้นไม่ได้ยุติธรรมผู้ละไม่ได้บอกกล่าวก่อนเหมือนกับที่มีเยาวชนเป็นจำนวนไม่น้อยพี่น้องครับในยุคหลังๆเนี่ยเริ่มเยาวชนเป็นจํานวน มากขึ้นที่ว่าเริ่มตั้งคำถามว่าเนี่ยทำไมผู้ล้อถึงลงโทษรุนแรงจังทําไมทําความผิดแค่นี้ต้องลงนรกตลอดกาลเลยเหรือทําไมทําไมทําไมทําไมส่วนหนึ่งครับที่เราต้องทําความเข้าใจกับสภาพความคิดของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็คือเพราะเขายังไม่เข้าใจในเรื่องของการศรัทธาที่แท้จริงแล้วเขายังไม่ได้ศรัทธาในทั้ง6ประการเขาเข้าใจว่าเขาศรัทธาต่อเลาะแต่เมื่อเขาปฏิเสธในสิ่งถึงสิ่งใดที่ตามมาการศรัทธาต่อเลาะไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ได้ พอเมื่อเรสาสัตย์ต่อ Allah, ล l ะ a h เราต้องเชื่อมันเราพลาดนั้นยุติธรรมแล้วพรกเรากำหนดกฎเกณฑ์มาชัดเจนแล้วพวกเลาไม่ได้รอไปเซอร์ไเราพวกเราบอกชัดเจนแล้วว่าเนี่ยข้าสร้างเจ้ามานะข้าคือพระเจ้าของเจ้าทรงคำพีม์มาสรงระสุนมาแล้วก็คำพี์ส่งมานั้นเป็นระบบระเบียบแล้วก็ส่งผ่านอเมริกาให้รู้ว่าสิ่งถูกสร้างมีมากมายแล้วอเมริกาเป็นสิ่งถูกสร้างที่ไม่มีทางฝ่าฝืนพงศ์ไม่มีทางทำสิ่งที่ผิดแล้วที่ส่งมาเนี่ยก็เตือนมนุษย์แล้วว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นห้องสอบนะ ข้าให้ความสุขกับเจ้าสารพัดในดุนยาแต่ของจริงมันโลกหน้าจ้ะเจ้าต้องเชื่อในโลกหน้าแล้วเจ้าต้องเชื่อว่าต้องมีการสอบสวนใครสอบผ่านข้าให้เขาขึ้นสวนรรค์ตลอดกาลตลอดกาลทำไมไม่มีใครอ้างมัง่งทำไมทำความดีแค่นี้ทำไมต้งเงข้อสวรรค์ตลอดกาลแต่พอลงนรกตลอดกาลปุ๊บทาไม่ทำผิดใครนี้ต้องลงนรกตลอดกาลทำไมถึงเลือกคำถามแค่ยอย่างเดียวแล้วไม่ถามที่มันครอบกุมทำไมบอกในฉันทำความดีแค่นี้เราไม่ต้องให้ให้ฉันข้อสวรรค์ตลอดกาลเราเข้านิดเดียวก็พอ ไม่ครับพอสวรางปุ๊บฉันเจายิ่งกว่าเท่าที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ฉันไม่เป็นคนดีเลยแต่พอมาเรื่องของกลุ่มคนชั่วร้ายปุ๊บก็กลับมาเกิดคําถามพวกรัตกลงไว้แล้วชัดเจนแล้วคัมพีพวกรับไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์อยู่แบบหน้ามืดตามัวถูกไหมครับไม่ได้ปล่อยแบบให้แบบไม่รู้อะไรเลยพวกรับประทานคัมภี์มาแล้วเพราะว่าก็บอกว่าจะรักษามันด้วยแล้วคัมภีร์นี้ไม่ได้พึ่งจะประทานมาพวกก็รักล่าว่าอินเนฮาไดลาฟิซูฟิลูลาแปลว่าในเรื่องการตักเตือนเนี่ย ในเรื่องการบอกให้รู้เนี่ยว่าดุนยาเป็นห้องสอบนะอ า, ารคราะเป็นของจริงเนี่ยสวรรค์มีจริงนรกมีจริงคนทําดีพวกก็จะตอบแทนคนทําชั่วพวกก็จะลงโทษพวกลนี้บอกมาทุกกลุ่มทุกยุคทุกสมัยแล้วแล้วมันก็ไม่ใช่ถ้าพูดตรงๆครับถ้าพวกเราจะลงโทษใครมันเป็นสิทธิของพค์มันไม่ใช่เรื่องที่ใดไปตั้งคำถามได้แต่ด้วยความที่พวกนั้นยุติธรรม พอเรากำหนดกฎเกณฑ์มาอย่างชัดเจนแล้วพอเราก็ระบุเลยว่าวุหากุลนาโมอักดีบีนฮัตตานบอาสารสุล่าเราจะไม่ลงโทษใครเด็ดขาดจนกว่าเราจะแต่งตั้งศาสนทูตมาพร้อมกับคัมภี่ให้เขาได้รู้จักพอล้อก่อนเพราะถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกิดมาปุ๊บอยู่ในยุคข้อต่อระหว่างนาบีท่านนึงกับนบีท่านหนึ่งไม่เคยรู้จักอิสลามหรือคนที่เกิดบนเกาะที่ห่างไกลอยู่บนพื้นที่สูงอยู่บนที่ไหนที่ไม่รู้จักอิสลามพวกเราไม่ลงโทษเขาเด็ดขาดพี่น้อง จนกว่าจะได้ทําให้ความชัดเจนเกิดขึ้นก่อนซึ่งเราก็เรียกคนกลุ่มนี้เป็นอะลุลฟ ah. ah ัตาร์อะลุลฟัตาร์คือคนที่ไม่มีโอกาสรู้จักอิสลามเนี่ยเขามีบททดสอบเฉพาะในโลกหน้าซึ่งพวล้อเตรียมให้กับเขานี่คือความยุติธรรมขององค์เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่มันชัดเจนพวล้อกํำหนดไว้ชัดเจนบอกไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อคุณยังเลือกเผ่อผายอยู่แปลว่าคุณยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเหมือนกับคนแต่ละคนบอกชีวิตของฉันฉันจะใช้ในเรื่องของฉันถูกต้องคุณก็ใช้ไป แล้วอย่าลืมนะไม่ว่าคุณจะใช้ไงต่อให้คุณอยู่ในดุนยาคุณก็ต้องรับผลที่จะตามมาถูกไหมอย่างถ้าเกิดเราบอกนี่ชีวิตฉันแล้วเราใช้ในการขโมยลักทรัพย์อย่างเงี้ยถึงเวลาโดนตำรวจจับสารจัดสินขังคุกเราจะมาบอกได้ไหมเอาชีวิตฉันเนี่ยทำไมมาลงโทษฉันมันไม่ได้ก็มันผิดเกติกามันไปร่วงเกินผู้อื่นมันผิดเกติกาสังคมมันก็ชัดเจนที่ว่ามันก็ต้องถูกลงโทษบาปบางบาปความผิดบางความผิดนะ่ะคุณอาจจะใช้เวลาทําแค่ห้านาที แต่ไปดูครับในดุนยาเนี่ยยางให้เกิดลักขโมยลักทรัพย์เนี่ยเวลาลักขโมยบางทีห้านาทีโดนจําคุกบางทีสิปีห้านาทีโดนลงทุกลงขังคุกสิปีแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้แล้วว่ามันไม่เกี่ยวว่าใช้เวลาทําความชั่วแค่ไหนแล้วต้องโดนลงโทษเท่านั้นมันไม่ใช่ว่าเออถ้าเกิดคุณฆ่าคนถ้าเกิดคุณฆ่าเร็เวๆฆ่าใน5้าวินาทีคุณจะโดนขังคุกห้าวินาทีมันไม่ใช่พี่น้อง แล้วมันก็ไม่ใช่เดียวถ้าเกิดคุณทรามานคนที่เขาเจ็บปวดทรามานเป็น10ปีแล้วคุณจะโดนลงโทษสิบปีมันก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นการศรัทธาต่อพู้อัลลอฮ์จะสมบูรณ์ได้สําหรับมุสลิมเราต้องศรัทธาในเสาหลักทั้งหมดแล้วมันจะทําให้การศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์สมบูรณ์ทั้งหมด5ข้อที่เหลือในะกับแการศรัทธาต่ออัลลอหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าฐามุสลิมเราศรัทธาต่อล่องเดียวใช่ไหมถูกต้องพู้อัลลอฮ์องเดียว หลักศรัทธาทั้งหมดที่เหลือคือสิทหลักศรัทธาที่มุสลิมจําเป็นต้องศรัทธาเพื่อให้การศรัทธาที่มีต่ออัลละฮ์สมบูรณ์ถ้าเรายังไม่รู้จักไมล์ไหกะเราไม่มีทางศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ถ้าเรายังไม่เชื่อว่ามีการแต่งตั้งศาสนทูตการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ไม่มีทางสมบูรณ์ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีการส่งคำกรีมาบ อ, บอกกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วการศรัทธาต่ออัลละฮ์ก็ไม่มีทางสมบูรณ์ถ้าเราไม่เชื่อว่ามีการกําหนดกระอกกระดั๊ซึ่งเป็น ประเด็นที่สําคัญมากๆถ้าเรายังไม่เชื่อเร า, ายังไม่เข้าใจเราไม่มีทางศรัทธาต่อเร้อยอย่างสมบูรณ์เราก็จะคิดว่าพ่อรับบังคับเราแล้วก็คิดว่าพ่อราบาับเผด็จการแล้วก็คิดว่าพา่อรับอย่างนี้ก็ได้ซึ่งปัญหาทั้งหมดถ้าเราดูครับมุสลิมที่เพี้ยนไปเนี่ยเพราะการศรัทธาของเขาไม่สมบูรณ์ใน 6, 6ข้อทั้ง 6, 6ข้อเลยศรัทธา5ข้อไม่สมบูรณ์มันเลยยิ่งส่งผลให้การศรัทธาต่อร้อนนั้นไม่สมบูรณ์เพราะฉะนักมุสลิมเราครับต้องเชื่อมั่นว่าพ่อรับ ไม่ได้สร้างมนุษย์มาอย่างไร้ประโยชน์ไร้สาระไม่ได้สร้างอยากไร้แกนสารไม่ได้สร้างเรามาเพื่อให้ตื่นแม่ขับงานเรียนกินขับถ่ายอาบน้ํากลับมาเล่นหลับจบไปวันวันรอวันตายนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระลอสร้างมาชีวิตของเราแต่ละแต่และวินาทีมันมีความหมายมันมีเป้าหมายที่พระลอสร้างแล้วพวระลอมอบ ชีวิตมอบโอกาสมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอยากรู้กลับไปศึกษาคัมภีร์อัลกุรอานสิมีปัญหากลับไปหาคุรานสิไม่ใช่มีปัญหากลับไปหาปราัชญามีปัญหากลับไปหาโค้ชมีปัญหากลับไปหาคนนั้นกลับไปหาคนนี้ถ้าเรามัวแต่อ้อมในการหาคําตอบทั้งๆ ท, ท, ที่ทางคําตอบที่ถูกต้องชัดเจนมันอยู่ต่อหน้าแล้วเนี่ยเราไม่มีทางเจอคําตอบเอาพี่น้องเหมือนกับมีพี่น้องทําข้อตอบอคําถามอะแล้วคําถามมีช้อยส์5ข้ออย่างเนี้ย มีข้อที่ถูกข้อเดียวอย่างเงี้ยแล้วข้อที่ถูกต้องพี่น้องก็มันผิดอะพี่น้องหาให้ตายยังไงในสี่ข้อมันก็ไม่มีทางถูกถูกไหมครับเหมือนคนที่ปฏิเสธอัลกรุรอานเมื่อปฏิเสธอัลกรุรอานคุณจะไปหาสัจธรรมความจรงิงคุณจะวนไปทางไหนก็ตามไม่มีทางเจอเพราะคุณปฏิเสธสิ่งที่ถูกต้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วจะไปเจออะไรพี่น้องที่รักยิ่งครับคำพีแต่ละคำพีก่อนหน้าเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> พวลเราประทานมาให้นำพีแต่ละท่าน ซึ่งแน่นอนครับนบีที่ได้รับคำพีเนี่ยที่ชัดเจนเนี่ยที่มีสายรายงานที่พูดถึงเนี่ยหลักๆเท่าที่พวกเรารู้ใชครับก็จะมีเนาบีอิบรอฮิมเนบีมูซาที่ได้รับคัมภี์ซึ่งก็เรียกเป็นสุบช่เฉยแล้วก็จะมีเนาบีาดาวุฒใช่ไหมครับที่ได้สะบูตก็จะมีนบีมูซาที่ได้รับคัมภีาารเตอร์แล้วก็จะมีนบีอีสาที่ได้รับคัมภีร์อินจิน ซึ่งก็เรียกถูกเรียกว่าเป็นไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่เป็นพันธสัญญาเป็นอะไรก็ตามแต่ที่เขาจะเรียกซึ่งคำพีทั้งหมดแสดงให้รู้ว่าพวกลอสซูฮาตาล่าไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์แล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งเราสูนพอแต่งตั้งมาปุ๊บมีคู่มือมาให้ด้วยเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับถ้าเกิดว่าโรงงานอะไรที่ถึงโรงงานใหญ่หญบริษัทใหญ่เนะี่ยสมมติพอเราซื้อเครื่องสักผ้าเข้ามาเราซื้อตู้เย็นเข้ามาเราซื้อคอมพิวเตอร์เข้ามาเขาจะมีคนมาช่วยถูกไหมครับพนักงานมาช่วยมาประกอบมายกมาสอนมาอะไร แล้วเขาก็จะมีคู่มือเหมือนกันพี่น้องพอแล้วให้เรามาเกิดในดุนยาไม่ได้ปล่อยไปแบบไม่รู้โนอโนออั น, อนี้อะไรพอเราส่งคนมาติวเราก็คือท่านนบีมอลสลายซัมในประชาชาตินี้แล้วพอเราก็มีคู่มือการใช้ชีวิตก็คือคำภีอัลกุรอานมาให้เราเรียบร้อยทุกอย่างชัดเจนงดงามมีการตกลงแบบรัดคุมแล้วครอบคุมแล้วเพราะฉะนั้นใครจะมาพูดทีหลังว่ า, อ, างงอันนั้นอย่างนั้นอันนี้อย่างนี้ถือว่าเขาไม่สามารถพูดได้ ซึ่งคัมภีร์แต่ละคัมภีนะครับบางท่านก็บอกว่ามีจุดเด่นต่างกันอันนี้นักวิาชาการไปค้นหามาจากคัมภีเกเก่านะครับผมไม่ได้มีตัวบทหลักฐานจากโบรานจากคลิสแต่ก็เอามาแชร์พี่น้องเฉยๆนะครับผมเรื่องราวของเบนิสต์รออนที่พูดไว้ครับก็เล่าขานกันนะครับว่าในคัมพี์ที่ท่านอับบีบรหินได้รับเนี่ยจะเป็นคัมพีร์ที่เต็มไปด้วยเรื่องของการเปรียบเทียบยกตัวอย่างอุทาหรณ์เป็นการเปรียบเทียบยังเป็นการเติบโตอย่างนี้ที่เรียกว่าอัลลัมสาร ในขณะที่คัมพีรส่วนแม่ครับในคัมภีร์ของนบีมูซ่าเนี่ยคำพีเตาร้อนนะครับก็จะมีเรื่องของอิบาร์ร์ข้อเตือนสติอุทาหอนเป็นข้อเตือนสติเช่นเดียวกับในคมภีของนบีดาวูดกับนบีอซาซึ่งนบีอซาก็จะมีตรงนั้นกับมีตรงนี้แต่ในคัมภีรอัลกุรอานนะครับผม จุดเด่นของคัมภีร์อัลกุรอานก็คือรวมจากคัมภีร์ก่อนหน้านั้นทั้งหมดเหมือนกับที่พวกรากล่าวไว้ในกุรอานในสุร้อนี้ที่บอกว่าอินเดฮะเดลฟิซฮูฟินูลาที่พูกเรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยบางทัศนะที่บอกว่าเฉพาะหมายถึงในส่วนของสุร้อนอัลอาลานักวิชาการบางส่วนก็บอกว่าทั้งหมดตั้งแต่ที่มีในกุรอานที่เป็นข้อเตือนสติข้อเตือนใจที่เป็นเรื่องประสาทที่เป็นอะไรเนี่ยอยู่ในคัมภีร์ก่อนหน้านี้นนนหมดในเรื่องกุรอานนะครับถ้าจะว่าไปแล้วก็คือ สาระโดยรวมเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคัมภีร์ก่อนหน้านี้เลยคือไม่ใช่ว่าคัมภีร์ก่อนหน้านี้พุเธร้อยให้กราบไหว้พระเจ้าได้สององค์คัมภีร์ก่อนหน้านี้ให้ได้สามองค์ไม่ใช่กุรอานกับคัมภีร์ทั้งหมดมาจากพระเจ้ามาจากพุทธรัตถาแาแล้วเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกันความเข้มงวดอาจจะต่างกันอย่างในคัมภีร์สําหรับชาวยูเนี่ยพวทเราอก็บอกว่ากัตบนาลิมฟีฮาอันนับซาบินนับซิวลัยนับิลไอหนิก็คือ ที่พอล็กํากหนดไว้กับชาวยูก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันฮู ก, ก่มก็คือถ้ามีนฤมิตเปื้อนผ้าเสื้อผ้าปุ๊บต้องตัดตรงนั้นทิ้งไปเลยก็คือเป็นฮูก่มที่จะเ น, น้นไปเรื่องความหนักเพราะอะไรครับเพราะชาวยูดื้ส่วนถ้าเปิดบทบัญญัติที่ให้กับนบนีอลีซาให้กับชาวออนัสซรอ์ก็จะเป็นบทบัญญัติที่เน้นในเรื่องของความเรียบง่ายในเรื่องของความรักในเรื่องของการให้อภัยก็แปลว่าคมภีแต่ละคำพีเนี่ยก็จะมีจุดเด่น ส่วนอัลกุรอานรวมคำภีร์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาแปลว่ากุรอานครับมีทั้งการเปรียบเทียบมีทั้งการเปรียบเปย์มีทั้งอุทาหรณ์มีทั้งข้อเตือนสติมีทั้งเรื่องปรัติศาสตร์มีอะไรทั้งหมดเลยข้อห า, เ, อาเนื้อหาข้อความโดยรวมเนี่ยเล่มก่อนหน้านี้มีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นทั้งหมดเอามารวมอยู่ในคำภีอัลกุรอาน เพราะเราเจอมากมายครับเพเราเปรียบเทียบเปรียบเทียบชีวิตเหมือนกับน้ําเปรียบเทียบนั้นเปรียบเทียบนี่กันเยอะแยะแล้วก็มีข้อเตือนสติมีประวัติศาสตร์มีอุทาหรณ์มีเป็นจุดเด่นของกุรานและส่วนที่เพิ่มมาล่ะครับอะไรบ้างที่เพิ่มมาถ้าเราดูในสายรายงานครับในบรรทึกขอยมามุสลามครับ by najib alinuarisulam scott idun idamisallallasalam อันนี้เป็น hadis ที่ท่านนบีมาเล่าให้ฟังท่านนบีบอกว่าตอนที่ท่านนบีกําลังนั่งอยู่กับท่านจิบรีนั่งกับใครนะ ท่านชิบลินมาไรกะท่านอบีกลังนั่งกับท่านชิบลินซามีอานะกีดานมินฟากีท่านบีดีนเสียงกึกก้องมาจากข้างบนมาจากบนท้องฟ้าท่านบีก็เ ง, งยหน้าขึ้นไปท่านชิบลินได้บอกว่าไงครับฮาดาบะบูมินาสมาฟูติฮัลเยอมาวะลัมยุสตาก็ตออหลั่งท่านชิบลินบอกครัว่าเนี่ยเป็นเสียงอ่ะของการเปิดประตูท้องฟ้าซึ่งประตูบานนี้ไม่เคยถูกเปิดมาก่อนเลยเพิ่งเคย เปิดครั้งนี้ครั้งเดียวแปลว่าประตูฟากฟ้าที่จะข้ามจากฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งไปฟากฟ้าชั้นที่สองเนี่ยมีประตูหลายบานประตูเป็นยังไงว่าลออาลัมแต่งที่บอกก็คือว่าฟากฟ้าชั้นที่1ก็คือที่เราเห็นทั้งหมดนะครับในเอกภพทั้งหมดที่เราเห็นในจักรวาลทั้งหมดเนี่ยกี่กาแล็กซี่กี่อะไรนี่คือฟากฟ้าชั้นที่1เลยไปเป็นฟากฟ้าชั้นที่สองจะข้ามจากชั้นที่1ไปชั้นที่สองจะมีประตูแล้วมีมรลาการที่คอยดูแลอยู่ ที่ที่วิญญาณทุกคนจะต้องไปตรงนั้นทีนี้ครับท่านชิวีนั่งอยู่กับท่านอนับดลมัสเระซสลัมครับพอมีเสียงกึงกก้องดังมาจากข้างบนฟ้าท่านนาบีหันไปดูท่านชิวีนหันไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีประตูที่ไม่เคยถูกเปิดมาก่อนเพิ่งถูกเปิดณวันนี้และจะเปิดวันนี้มันเดียวนะ มีประตูฟากฟ้าที่เปิดที่ไม่เคยถูกเปิดมาก่อนแล้วก็มีมารากิกาหนึ่งท่านลงมาท่านจิบรีนก็บอกว่ามารายกาท่านนี้ไม่เคยลงมาเลยไม่เคยลงมาก่อนเลยไม่เคยลงมาที่แผ่นดินดุนยามาก่อนหลังจากนั้นครับมารากิกาท่านนั้นได้ให้สลามพรให้สลามปุ๊บ ว่าก่าลับชิดบินูไรนีอูติท่านหูมะลามยุติหมะนบยุครบละหลังจากนั้นครับเมื่อมะเริงแก่ลงมาท่านชีบินก็บอกแจ้งข่าวดีกับท่านนบีมอสลอยสลัมบอกว่ามีข่าวดีนะยินดีด้วยนะด้วยกับรัศมีทั้งสองที่ไม่เคยมีใครได้รับมาก่อน รัศมีทั้งสองที่ไม่เคยมีนบีท่านใดได้รับมาก่อนคือไม่เคยปรากฏในคัมภีร์เล่มใดมาก่อนเพิ่ง ม, มีในอัลกุรอานฟาติหะตุลกิเตบ و خواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أئده لن ไม่เคยมีมุสลิมคท่านชีวินบอกว่าไงครับแสดงความยี่กับคุณได้นะเนี่ยฟากฟ้านี้ไม่เคยมีการเปิดมาก่อนประตูบานนี้เพิ่งมาเปิด แล้วมาริกาที่ลงมาก็ไม่เคยลงมาเลยลงมาครั้งนี้ครั้งเดียวลงมาแล้วก็มาแจ้งข่าวดีท่านจุลินก็บอกเราว่ายินดีด้วยนะเขามาแจ้งข่าวดีถึงรัศมีทั้งสองที่ไม่เคยมีนบีท่านใดได้รับมาก่อนนั่นก็คือสุราะอัลฟาติฮะฟาติฮ์อัลกิตักับช่วงท้ายของสุราะบักราะอามานาะรอซูลน่นนละครับผมฟาติฮะก็อัลฮัมดุ ล, ลิลัยลิบิดานนี่ แปลว่าครับในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายอันนี้คือที่มุสลิมเชื่อมันคือหลังกุรอานไม่มีคัมภีร์ลงมาอีกแล้วไม่มีอีกแล้วต่อให้ท่านนาบีอิสาลงมาแล้วทําการเป็นผู้นําของมุสลิมท่านไม่ได้ลงมาในฐานะของนบีท่านลงมาในฐานะของอุ ม, มามุฮัมมัดสลอมลอฮ์อัสสลามท่านจะลงมาโดยใช้คัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการตัดสิน กปลกุรานเนี่ยเป็นคัมภีร์สุดท้ายแล้วที่รวมความงดงามทั้งหมดแล้วในอัลกุรานนั้นนอกจากจะรวมความงดงามทั้งหมดของคัมภีร์ที่มีมาทั้งหมดกุรานยังมีเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามาอีกที่งดงามขึ้นมาที่ประเสริฐขึ้นมาอีกนั่นก็คือส่วนของสุรัชอัลฟาติฮะที่พวกเราอ่านทุกวันตอนละหมาดอ่านทุกวันตอนละหมาดวันละหลายสิบครั้ง หลายท่านน่าจะเกิน17ครั้งน่าจะมีสนุนนะมเมลัยเพิ่มด้วยก็เป็น20เป็น30สอ่านทุกวันด้วยกับซูร่าที่ประเสริฐที่สุดที่ไม่เคยมีใครได้รับอภิสิทธิ์แบบนี้มา ก, ก่อนเพราะฉะนั้นจงให้ค่ากับจงให้คุ้ค่ากับซูรา่าฟาติฮ์มากครับเช่นเดียวกับช่วงท้ายของซูร่าบักรรอช่วงท้ายของซูร่าบักรรอที่ว่าพวเร้อนไม่บังคับใครเกินความสามารถแต่ละคนนั้นจะถูกตัดสินตามที่เขาได้ทําเอาไว้ แล้วก็เป็นเรื่องของดูอาโอรับปวดอยบังคับเขาอย่าบังคับเราในสิ่งที่เกินความสามารถของเราอย่าบังคับเราเหมือนกับที่พงบังคับจนก่อนหน้าเราโปวดเมตตาเราปวดให้อภัยเราโลกเป็นที่รักของเราความหมายโดยรวมอันนี้คือในช่วงค้ายของสุลักบะคอร์ซึ่งท่านอาลีรเดียลลอห์อันหัวครับพี่น้องคำพูดของท่านอาลีเนี่ยอยู่ในบันทึกขอหมัมอยู่ในอัศการของหมัมนาววีนะครับผมซึ่งเป็น hadis สอเนีอาย阿拉 ش ط ي ش ة ق ي น ท่าน阿里เรยฺลลออันหูเนี่ยท่านพูดวยย่ายังไงดูไหมพี่น้องท่านอลีคาลิฟะท่านที่4ผู้ที่เป็นเยาวชนคนแรกที่ความรับอิสลามแล้วก็เป็นผู้ที่มีบทบาทมากมายมากที่สุดท่านหนึ่งในอิสลามท่าน阿รเรยฺลลออันหูได้บอกไว้ครับว่าฉันไม่เคยเห็นคนคนไหนที่มีสติปัญญาฉันไม่เคยเห็นใครที่มีสติะนะที่จะหลับโดยไม่ได้อ่าน ช่วงท้ายของบาคาร่าโอ้ฟังนี้ตอนอ่านนี้บางทีก็แอ บ, บรู้สึกเจ็บปอนพี่น้องรู้สึกเหมือนกับออท่านอดีใช้คําว่าไม่เคยเห็นคนมีสติปัญญาคนไหนะนะที่เขาจะหลับก่อนที่จะอ่านก็แปลว่าถ้าคนมีสติปัญญาเนี่ยอ่านซูรอบบาคา ร, ะระ่าช่วงท้ายของบาคาร่าเนี่ยเขาต้องให้คุณค่าอย่างมากเลยแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลับนอกจากเขาจะต้องอ่านเขาจะต้องขอสิ่งนี้แปลว่าสหายขอเป็นประจํา อ่าช่วงท้ายของบักรอปเป็นประจำํำจนกระทั่งท่านอาลีบอกว่าไม่เคยเจอใครไม่อ่านนอกจากพวกที่ไม่มีสมองถ้าเกิดจะแปรนะครับมันจะกลับกลายเป็นว่าเอ๊หรือว่าพวกเราเอ๊ไม่มีสมองกันหรือเปล่าเอ๊หรือผมไม่มีสมองหรือเปล่าเอ๊เราไม่ได้อ่านทุกวันทุกคืนนี่นะครับก็สรุปนั่นแหละสรุปสรุปครับ3มอายะโดยเฉพาะ3ามอายะสุดท้ายของบักรอปพี่น้องพี่น้องก็ไปดู รายุะลีฟุลลอร์รับสัญิลาวุฒิาสหาเอาตรงนั้นไปได้พี่น้องก็คืออยางน้อยให้ได้อ่านอยากน้อยให้ได้อ่านบ้างและกันอะให้ได้อ่านบ้างโดยที่เราต้องอยากได้ความหมายจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องคุรอ่านเนี่ยเป็นสุดยอดคัมภีร์แล้วพี่น้องนอกเหนือจากว่าผู้เล่ารับรองว่าจะปกป้องคุ้มครองการอ่านหนึ่งอักขะยังได้สิความดีความคัมภีร์ก่อนนะั้นนี้ไม่มีนะพี่น้อง อาภิสิทธ์ต่างๆความปวดปานต่างๆพวกเราบอกนะครับว่าหนูน่าจะรู้นอัลกุรอานนีมาว่าชิฟะอัลรอฮ์ไหมเราได้ประทานมาในอัลกุรอานให้เป็นการรักษาการเยียวยาและความเมตตาผู้หลานใช้เป็นยารักษาก็ได้พี่น้องเดี๋ยวเวลาไม่สบายซอบาไปเจอคนโดนยาพิษหัวหน้าเผ่าโดนยาพิษซอบาอัานปัตญะเจ็ดจบแล้วก็เป่าพวกเราเขาให้หายเวลาใครไม่สบายท่านรบีไม่สบายท่านรบีก็เป่า แล้วก็ช่วยรูปแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดใครนะสามารถไปเป่าให้กับพี่น้องของเขาได้ก็ช่วยเป่าช่วยรักษาให้กันและกันอัลกุรอานมีปัญหากลับไปหาอัลกุรอานเวลาเครียดอ่านอัลกุรอานหาทางออกไม่ได้อ่านอัลกุราา อ, อ, อานอานี่คือสุดยอดคัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติแล้วจะไม่มีคัมภีร์เล่มใดประเสริฐไปกว่าคัมภีร์เล่ม น, นี้อีกแล้วเพราะฉะนั้น เราเนีครับในฐานะที่เป็นประชาชาิของท่านอับดุลเบี๊ย์มูฮัมหมัดสุลต่านะครับแล้วในพิสิทธิ์เยอะแยะเลยเราเป็นประชาชาติสุดท้ายถึงเวลาถูกสอบสวนได้เข้าสวนลงนรกเราก็ไปก่อนเลยแล้วก็เป็นประชาชาติที่ได้รับความเมตตา ม, มากที่สุดโดยเพราะเรายุคสุดท้ายทําความดีนะ่ยคนคนึคนงทําเนี่ยเท่าๆซาร์ า, าสีิบห้าสิบท่านทําถึงบุญเราไม่มีทางเข้าท่านแต่ก็คือพวกเรเพิ่มพูนผลบุญให้ แล้วพวกเรากใก้คำพีที่เจ๋งที่สุดให้เรามีโอกาสได้อ่านแต่ต้องพูดว่าหน้าอัปยศแล้วก็หน้าอัปยศแล้วก็หน้าอับปยศสุดๆสำหรับใครก็ตามที่เขาสามารถที่จะเรียนทุกภาษาได้แต่เขาไม่สามารถที่จะเรียนรู้การอ่านอัลกุรอานคือถ้าเป็นคนที่มีความจำเป็นอย่างผู้อวุโสยุค ก, ก, ก่อนๆเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้รําเรียนอันนี้โอเคเราไม่บังคับใครเกความสามารถ แต่ยุคนี้เนี่ยครับเราส่งลูกเราไปเรียนได้ทุกภาษาทั่วโลกยกเว้นภาษาอังกุรานหรือเปล่าเราให้ลูกอ่านลูกเราอ่านภาษาไทยเรามีความสุขอ่านภาษาอังกฤษมีความสุขลูกเราอ่านกุรานได้พี่น้องจะยิ่งมีความสุขพี่น้องเวลาฟังลูกเราอ่านกุรานมันจะรู้สึกดีเราไม่ต้องเอาลูกไปอวดไปประชันใครขอแค่เราได้ให้ลูกเราอ่านกุรานได้พี่น้องผมมั่นใจครับคุณเป็นพ่อเป็นแม่ดีลูกอ่านอังกุรานเนี่ยมีความสุขกันหมดเลยพี่น้อง มีความสุขรู้สึกดีแล้วก็อยากจะให้ลูกเราได้ทุ่มเทกับปัจจุบันให้มากขึ้นอันนี้ก็ฝากครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบรรด า, าผู้อาวุโสเรดาแต่ละท่านนะครับก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับผมดุลยาเนี่ยให้ความสําคัญมันเท่าที่เราควรจะให้นะครับแต่ว่าเครารพและทุ่มให้เยอะขึ้นนะครับผม มาชาร์ล็ครับคุณควรเดินธรงมาานครับชมต่อนะครับเวลาไปละหมาดที่มัสยิดแล้วมีผู้อาวุโสบางคนเขาดูถูกเราเรื่องความรู้เราควรทํำยังไงดีครับหรือละหมาดที่บ้านเลยดีไหมควรตอบโต้เขาไหมครับ UM? ประการแรกครับพี่น้องเวลาโดนดูถูกเรื่องความรู้ผมมองว่ามันมันมันมันไม่น่าจะมีคําว่าดูถูกเรื่องความรู้หรือเปล่าคือคือไม่รู้คือถ้าเรามองว่าความรู้มันมีมากมายมหาศาลที่เรารู้มันเป็นแค่ แค่หางอื่นจริงๆอะพี่น้องคือต่อให้เป็นระเับระดับครูบาอาจารย์ขนาดไหนความรู้ที่พวกเรารู้เนี่ยน้อยของน้อยของน้อยมากๆยิ่งเทียบกับความรู้ที่ซาฮบะรู้ยิ่งเทียบกับความรู้ที่บรรดาสาลับซอและปราฏคุณธรรมยุกดีดรู้น่ยความรู้เราเล็กน้อยมากๆเลยแล้วต่อให้เรารู้เท่านาบีต่อให้ต่อให้เรารู้เท่ากับท่านนาบีมูฮัมมัดสโลลล์ของอาเลวัซัลลัลลมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องแต่ผมกําลังบอกว่า ต่อให้เรารู้ให้เท่ากับท่านอบียเพราะเ่ากล่าวไ้ครับว่ามาอูติตุมิเนะไอ้มีล า, ลากลีแลนแต่ว่าพวกเจ้าไม่ได้รับความรู้อะไรนอกจากเพียงเล็กน้อยขนาดคนที่ได้รับความรู้มากที่สุดในโลกทุกคนเอามารวมตัวกันความรู้ทั้งหมดที่มีความรู้เกี่ยวกับดุนยาความรู้เกี่ยวกับอาระฆะความรู้ทั้งหมดที่มีเครื่องบินที่มีอะไรที่เราสิทอะไรเราเห็นเนี่ยความรู้ทั้งหมดพวกเราบอกว่าเจ้าไม่ได้รู้อะไรเลยนอกจากเพียงเล็กน้อย เท่านั้นเพราะฉะนั้นพอมีคนมาบอกว่ามาดูถูกเราเรื่องความรู้ผมก็มองว่าเขาโอเคก็ไม่ได้พูดปิดเรารู้น้อยจริงเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องทําตามที่เรารู้ไม่ใช่ว่ารู้น้อยแล้วไม่ทําถูกไหมครับคือต้องทําตามที่เรารู้เรารู้ไงต้องทําตามนั้นเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าอะไรถูกมันก็ต้องจะให้เราทิ้งสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าถูกได้ยังไงถูกไหมครับเชคอิมเนอร์ไทมยารยมอลล์บอกว่าไม่ อนุญาตใช้คำวิจารมานะเป็นมติเห็นพ้องของปราฏิว่าไม่อนุญาตให้เราละทิ้งกีตาร์บุลล์หรือสุนนะไปด้วยกับคําพูดของใครก็ตามคือถ้าเกิดเราชัดเจนกับกุรานตรงอายะไหนชัดเจนกับพระคัมตรงไหนเราเข้าใจแบบไหนแบบชัดเจนแล้วไม่อนุญาตให้ทิ้งมันไปด้วยกับคําพูดของคนอื่นเพราะฉะนั้นในเรื่องเวลาที่มีคนมาด่ามาว่าเนี่ยครับถ้าเกิดมาเป็นเรื่องส่วนตัวนะพี่น้องอดทนได้พยายามอดทน ถ้าเป็นเรื่องของอัลลีอ์เราค่อยดูถ้ามันเป็นเรื่องที่ต้องเตือนเราก็เตือนถ้าเราเตือนก็ต้องเตือนมีมาระยะที่ดีคนไม่เหมือนกันนะครับคือคนบางคนรับการตักเตือนได้บางคนรับไม่ได้บางคนนี่คือจะเกลียดเลยเวลาโด น, นตักเตือนคือเหมือนกับเราไปหักหน้าเขาทําให้เขารู้สึกแย่ครัให้เขารู้สึกผิดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์พี่น้องเป็นกันนะเป็นกันระรับครูบาอาจารย์ก็เป็นครูบาอาจารย์บางคนที่คือเตือนไม่ได้นลเตือนปุ๊บโกรธจัดมีไหมมีพี่น้องมันคือมนุษย์แหละพี่น้อง เพราะฉะนั้นถ้าเรามีหน้าที่เตือนเตือนด้วยกับรูปแบบของอิสลามเตือนด้วยกับแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดสลอมพอเราเตือนปุ๊บเราทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมเราก็หยุดแค่นั้นถ้าเกิดมันมีการด่าทอมีการด่าว่ามีการเน็บแนมีการประจานมีการประนามอดทนเพื่อหรอถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเราณอดทนเพื่อหรอแต่ถ้าเรื่องที่จําเป็นต้องชี้แจงมันก็ต้องชี้แจงไปตามนั้นครับเพราะนั้น ละหมาที่มัสยิดเนี่ยถูกต้องแล้วครับก็ต้องไปละหมาที่มัสยิดนั่นแหละส่วนถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรเขามาดูถูกตัวอะไรแล้วก็ดูอาให้โพเราเปิดใจเราแล้วก็เปิดใจเขาให้พโพล้อนําทางพวกเราให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นนัดสิฮัสส่วนตัวนะครับสั้นๆ น, นะครับผมถ้าใดมองอยังไงก็แชร์กันได้นะครับผมคุณพวินนะครับสลามากบี่ภาพเสียงชัดเจนทำดีแล้วนะแล้วก็คุณสวยสลามา ก, ก็วันพุธสลามุตุลาอกรักษาทุกครับ ได้อ่านกอนนอนเกือบทุกคืนอัลฮัมดีล่าเยี่ยมครับผมคือเ อ, อเรื่องของอามันอีบารดาพี่น้องสรุปง่ายๆไม่ซับซ้อนเลยใครทําใครได้ใครไม่ทําก็อดมันก็มีแค่นั้นนะครับผมใครทําก็ทําต่อ ต, ตัวเขาเองใครที่ไม่ได้ทําเขาก็พลาดกับตัวเขาเองทั้งผมทั้งพี่น้องเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นครับงั้นเมื่อเราพูดถึงบทบัญญัติของแต่ละยุคสมัยเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างไปบ้าง แต่เนื้อหาหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่คัมภีร์ก่อนหน้านี้มีที่เป็นเนื้อหาหลักก็สอดคล้องกับกุรันหมดเลยปีจย้อยอาจจะแตกต่างอย่างที่บอกกันนะครับว่าข้อปีจย้อยเนี่ยมันอาจจะมีแตกต่างกันเลน็กน้อยอย่างเรื่องหุกลมเรื่องของอะไรแต่โดยหลักเหมือนกันหมดครับผมทีนี้ครับการที่ใช้คําว่าซูฮุฟเนี่ยซูฮ uh ูฟ uh uh ในยักุรนันพเราบอกกันครับอินนาฮาดาลฟิซซฮุฟิลูลานี่คือซูฮุฟที่มีอยู่ในซ uh ูฮุฟ แรกโซฟีอิบรอฮีมะบอมูซาเนวิชาการก็มาทําการคุยกันว่าทําไมต้องเป็นใช้คําว่าเป็นซูบซึ่งซูบเนี่ยความหมายจะแตกต่างจากกุตุ๊บกุตุบนี่คือเป็นเป็นเล่มเป็นคำภี์เป็นหนังสือเป็นเล่มแต่ซูบเนี่ยจะเป็นคําที่ใช้ได้หลากหลายครอบคลุมกว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหนังสือเป็นเอ่อเป็นชุดหนึ่งเป็นชุดบางๆชุดใหญ่จะได้หมดเลยในส่วนของซูบซึ่งนี่ข้อสติ ข้อเตือนสติเหล่านี้ล้วนมีปรากฏในคัมภีร์รุ่นก่อนซูฟิบรอฮิมอัลบมูซาคําว่าคัมภีร์รุ่นก่อนเนี่ยนักอธิบายกุรานบางท่านเขาได้บอกว่าคัมภีเนี่ยแบ่งเป็นสองยุคสมัยอันนี้ว่าเราอาลัมนะครับก็บางท่านเขาแบ่งมาเขาบอกว่าเป็นคัมภีร์ยุค ก, ก่อนก็คือของเริ่มที่นบีก่อนนบีบรอฮิมไปหลักคือนบอีบรอฮิมแล้วก็ลงมาจบที่นบีมูซาหลังจากนั้นก็ลงมาตั้งแต่นบีดาวุฒลงมาจนถึงนบีอีซาก็ถือว่าเป็นซูฟ อันอาีร ah. อันนี้ก็ว al ัลลอหุตาละอาลัมครับอันนี้ก็ถือว่าชวนคุยเฉยๆนะครับผมซึ่งคำพีที่ผู้ลอสุบะตาคเคยประทานมามีทั้งหมดกี่เล่มว่าลลอฮาลัมวาลลอฮวาลัมแต่ถ้าจากข้อมูลที่ปราดยุค ก, ก่อนผู้เชี่ยวชาญฮะดีษเขารวบรวมมาเนี่ย บางท่านเชื่อว่าใช้คําว่าเชื่อว่านะครับเพราะไม่มีกุลาศกับฮะดิษรอบรองนะครับบางท่านเชื่อว่าคำพี์ที่ถูกประทานมานะ่ะจากผู้ลอ s t สุภัตตาลเนี่ยสุภุพที่เราสุภุพเนะี่ยมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสี่เล่มที่ถูกประทานมาหนึ่งร้อยสี่เล่มย้ํานะครับวลาเราอ่ามนะครับข้อมูลนี้ไม่มีในกุลานไม่มีในฮะดิษแต่ก็มีในเรื่องราวของชาวคัมพี์โบราณซึ่งอาจจะถูกหรือาอาจจะผิดหนึ่งร้อยสี่เนี่ยเขาบอกว่า ท่านเบีอาดัมได้รับมาสิบเล่มยุคท่นบีย์อาดัมมีอยู่สิบเล่มว่าเหล่าอาลัมครับยุคของนบีชีสะมีอยู่50ยุคของนบีอิตาลีสได้มา30ยุคของนบีบรหีมได้มาสิอันนี้ก็รวมกันเป็นร0อนะครับอาดัม10ชีสห้เป็น60สิอิตาลีสสาก็เป็น90ใช่นะครับแล้วก็อบรอหิมอีก10ก็เป็นหนึ่งทีนี้ก็มานบีมูซาได้รับมาหนึ่งนบีดาวูดหนึ่งนบีอีซาหนึ่งแล้วก็นบีมอซาร ข้อแท้จริงว่ลลาเราอาลัมครับเพียงแต่ว่าเรื่องของทับซีดเนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือว่าการอถาธิบายอัลกุรอานเนี่ยจะยืดหยุ่นกว่าเรื่องของฮะดีษกับเรื่องของกุรอานพอดิสกับกุรอานต้องเป๊ะแต่การอถาธิบายเนี่ยท่านอาบีก็บอกว่าฮะดีซอันบานิซไวน์วาระฮาร์ชก็เอาเรื่องของบานิสไวน์มาพูดได้ก็ไม่เป็นผิดบาปแต่ประการใดเพียงแต่ต้องบอกให้ชัดเจนว่าอันนี้ไม่ใช่กุรอานนะอันนี้ไม่ใช่ฮะดีษนะเป็นเรื่องราวจากบานิซอวน์ซึ่ง อาจจะถูกหรืออาจจะผิดเพราะชาวคมพีโบราณเขาก็มีข้อมูลบางอย่างที่ยังถูกต้องหลงเหลืออยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะชวนพี่น้องคุยในวันนี้นะครับว่าอ uh ินน่าฮะเดอเฟิอัสซูอันอูลนี่คือสิ่งที่มีในคำพีก่อนก็คือข้อเตือนสตินะครับที่เราพูดคุยกันมาค่อนข้างจะยาวนานนะครับอบอกตัวเราก็เตือนมนุษย์มาทุกกลุ่มนั่นแหละ ที่ผ่านมากระตือนหมดนั่นแหละก็มนุษย์หลักๆก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เชื่อฟังกับกลุ่มที่ปฏิเสธในกลุ่มที่เชื่อฟังก็กลุ่มปฏิเสธก็หลักๆก็มี2กลุ่มครับก็แปลว่าฟรีการิเลนเจน่าบวฟรีการฟิเศดก็กลุ่มหนึ่งก็ไปสวรรค์อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปไฟนนิกมันก็มีแค่นั้นพี่น้องเราก็ต้องเลือกว่าเราจะไปกลุ่มไหนเราเรียนรู้เกี่ยวกับคัมภีร์แล้วก็หน้าที่ของเรานะครับก็ต้องเลือกว่าแล้วเราจะไปทางไหนต่อ สิทธิเลือกอยู่ที่เรานะครับผมเพราะว่าเราก็จะกําหนดเป็นไปตามที่เราเลือกครับผมคุณเคยเดลีแนะนํามาอาบอกว่าอยากให้เพิ่มเรื่องความตายเสริมอิฉะนั้นครับถ้ามีโอกาสจะเอาคุยแบบละเอียดยิบเลยนะครับมิฉะนั้นถ้ามีโอกาสนะครับผมพี่วันนี้สละ ม, มาครับวาริสุลามอัลกุลตุลลาห์วะบารอกาตุครับผมเรื่องการศรัทธาในคำภีร์เราเชื่อมันว่าพระองค์ลัทธิสุภัตต า, าไม่ได้สร้างมนุษย์มาอย่างไร้สาระสร้างมาอย่างมีเป้าหมายแล้วพระองค์ก็ได้ส่งผู้ ชี้แนะพร้อมกับคู่มือในการเป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักคือไม่ให้เรามีข้ออ้างเลยไปบอกว่าลอชฉันไม่รู้วิธีนี่ทุกอย่างชัดเจนครบถ้วนแล้วเพราะนั้นหน้าที่ของเราทําให้ดีที่สุดแล้วก็อัลกุรอานเป็นคำพีที่ประเสริฐที่สุดของที่สุดของที่สุดเท่าที่พวกลอชซุบฮัตตาราจะส่งมาให้แล้วนะครับมีของดีขนาดนี้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็อย่าได้โทษใครนอกจากตัวเองครับผมสําหรับวันนี้แค่นี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ที่หน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อในส่วนของ จะทัศบายอัลกุรอานนะครับในส่วนของยสุดท้ายของสุระอัลอาอฮูฟีอิบรอฮมะวะมากันครับอินชาอัลล์รบนีก็ขพไม่ตางคทุกคนครับอักูลูกาลีฮะดะแะสักลูลาฮีบะลาคุมวิามุสลิมีนามินุลิลมัสิรูอินะฮูัลกฟลอรฮมซุบฮนฮัมดกอัชาดอลลันตะสักลกาตูบิสลามะมตุลลอฮวะบราตุบ